มีคนอยากหลุดพ้นอยากปฏิบัติธรรมถูกต้องตรงทางและสแสวงหาครูผู้น่าเชื่อถือเหมือนฉันบาลตะไทยปัจจุบันมีการอบรมระยะสั้นและระยะยาวมากมายหลายแห่งแต่ต้องสอดตาดูเงี่ยวหูฟังมากๆหน่อยจึงจะได้ข้อมูลครบถ้วนทั้งสถานที่และเวลาฉันตระเวณไปเข้าคอร์สอบรมตามสถานฝึกปฏิบัติ ด, ดังๆหลายต่อหลายแห่ง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 แต่ตัวเองทำบ้างหรือเปล่าไม่เคยกล้าสำรวจจริงจังอาจเพราะลึกๆ ก, ก็รู้ว่าตนก็เคยเป็นต้นเหตุแห่งความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมีส่วนร่วมสร้างความร้าวฉานขึ้นในหมู่ชาวพุทธมาเหมือนกันแทบทุกคนมักสำคัญว่าตนเองดีพอจะติคนอื่นซึ่งทํามองในมุมกลับก็คือคนเราจะคาดหวังให้ภาระหน้าที่ทาดี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 แบบนี้มีคุณใหญ่เป็นอ น, นันต์แต่ในทางตรงข้ามอาจก่อโทษได้มาหันเช่นกันเช่นยกพุทธพ์มาเพื่อข่มขีหรือสนับสนุนจิตคิดกลด่าฝ่ายตรงข้ามของตนผู้ฟังรับพุทธพ์พร้อมกับกระแสโทสะของผู้อ้างอิงยอมเกิดจิตคิดมัวหมองต่อพุทธพ์ไปด้วยเรียกว่า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 จงท่องกอไก่ให้เป็นคำเดียวแล้วในที่สุดจะรู้เองว่าอักษรไทยไล่ตามลำดับไปถึงฮอนกฮูกมีอะไรบ้างเมื่อมีผู้คนล้อมวงเข้ามาเชื่อกันมากเข้าก็กลายเป็นกลุ่มศรทัทธาเป็นกลุ่มบูชาความเชื่อประจำแนวนั้นๆไปแล้วค่อยๆอย่างรากทางความเชื่อลึกลงผ่านสานุศิษย์รุ่นต่อรุ่น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 ก็มักพาไปเจอถ้อยคำตอกย้าให้มืออ่อนเท้าอ่อนยิ่งขึ้นไปอีกเช่นพวกเราวาสนาน้อยเกิดเม่ทันพระพุทธเจ้าอยู่ในยุคของผู้มีปัญญาสามมาเกิดหมดสิทธ์แล้วละ่ะต้องทำบุญมากๆนะและอธิษฐานไปเกิดในยุคของพระศรีอานซึ่งจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หน้านนอนหากสะสมบุญไว้มากแล้วเมื่อฟังธรรมต่อเบื้องพระพัก